ในปาต้องระมัดระวังไปใส่ย้มคนขับมาขึ้นขึ้นกันแต่ว่าหลวงพอ่อบอกวะ่าพรต้องกลัวมากคือจากไหนคืองูเหลือมในเวลากลางคืนเนี่ยมันจะอยู่ไก่ไปไหนกันตามเท้าว่าเขาสายไฟพาดไ ป, ปมันจะเห็นสีเหลืองมันจะทอดแสงอ ะ, นะ้รวะมันสจะทอดแสงขึ้นมามาบแล้วเห็นไก่เลยจะงูสามเหลี่ยมขึ้นกันงูสามเหลี่ยมงูไอ งูทําท่านบานเท่ากันสายไฟมาจะเห็นขาวเหลืองพาดหลดมาไปชะท่อนแสงเลยอันนี้ก็งูพิษขึ้นกันแต่ว่างูเห่าก็งูตรงอางในจมโบ่ออกเนี่ยมาขึ้นออกถ้าตอนหัวคํำ ก, ไก็ไก่สีแจงไก่สีแจงจะออกถ้ามันหิวก็จะออกเนง่ยไก่แจงแล้วก็เนี่ยมาขึ้นตอนหัวคํามันจะออกเอแต่หนักเออ วิทยาศาสตร์การเรื่องงูของเขาเขาบอกว่างูเฮาก็ตามงูกระปะก็ตามงูที่มีผิดทั้งหลายแหล่เนี่ยขั้นกัดตอนหัวคําเนี่ยจะมีผิดมากกว่าตอนไก่สีแจ้งเป็นอย่างนี้เป็นอย่างตันถึงงูเฮากัดขึ้นกันงูเฮากัดเนื้อแมลงไก่คากับงูเฮากัดเนื้มือเศรางูเฮากัดเนื้อมือเศราเนี่ยผิดจะบ่แรงขึ้นกันคืองูเฮากัดเนื้อแมลง เขาให้เหตุผลกับนาฟั่งของเขาได้เขาบอกว่าคันกัดยังมอแร้งเนี่มันพอท่านได้กิ่นพวกกบพวกเขียดพวกสัตว์ทั้งหลายผิดของมันยังเต็มอัตราซึกงคนลงไปแต่พอมันไปกัดพวกกบพวกเขียดแล้วบัตนี่มันกินอาหารแล้วบัตเนี้มันปล่อยผิดใส่สัตว์เห่านั้นแหละอผิดของมันในสมองในหัวของมันนีหน่อยลงเพราะนั้นกัดคนผิดกับว่าไหล ขั่นาวาบ้านโบท่านได้ปล่อยผิดอย่างงยเหมือแร้งเลยเอ๋คารับอนกัดคนเนี่ยมันจํามิดมันก็ปล่อยผิดออกม้อยจากแขวาเขามันเลยตกเขี้ยวเขามันเลยนะปล่อยเต็มที่เลยนี่แหละคนจะได้รับผิดมาสรผิดจากม่นอย่างเต็มที่อันนี้ก็เหตผลเรื่องงู ก, กัดจังหวัดในวัดทองเฮาก็ยังว่านอ่ะหลวงพ่อก็อุ่นใจแนวนึ่งก็คือได้ ถ้ำถนนข้อนกรีด ใ, ให้พาเดินแต่มันก็ถ้ำบกกว่าเนะาถ้ำประมาณเมตรกว่าเกือบสองเมตรถึงอย่างไรก็มองเห็นได้เว้นเสียแต่มันก่ำของกูบา อ, อกนั้นก็มันก็ซอยว่าอะไรละ่ะมันมองบ่เห็นเนะคือกันกับพลเมลเหื่องนิท่านพญาแห้งพญาแห้งติดบวงนายพาน พอดติดบว่วงระบาดพอติดบว่วงระบาดเนี่ยพอพญาแห้งติดม่วงบ่วงแล้วบาดนี่เสียหน้าคร้ายๆแบบผูร่องผูร่องพะยญาแห้งเอีบอ่หนีอยไรไปพอน้ายติดบ่วงลตัวเอีงบ่หนีะไปไปยืดให้เขาจับไปนะไปเขาก็เอาเป็นอย่างแห้งตัวนี้ตัวนึงถือบ่วงตัวนึงไป บ่ถือบ่วงเป็นอย่างมันบ่นีไม่จชไหนขวาว่าเขาเลยจับว่าทั้งสองตัวมัถวายมถวายให้พรญยาล พ, พระญาเจ้าเมืองพระราชาสีพรญ่าก็ถามแห้งก็พูดเป็นภาษาคนเออบอาวันผมเออเป็นเสนาบดีของแหงเมื่อเจ้าหน่ายถูกจับผมก็ต้องถูกจับนะั่มเออผมชิบ่นีอื เป็นตายเท่ากันแต่เนี่ยพญา่าเจ้าเมื่อกูถึงในใจปัทโธขนาดะนุษย์เนก็นยังไปถึงขนาดดีอันนี้แห้งขนาดดีมันยึงเสียสละแทนกันดูน้ากันได้เนี่ยเป็นเพราะเหตุใดพระญาเขาเลยถามว่าท่านพญ่าแห้งเขาว่าแห้งนี่ตาดีได้ข้านเห็นซากศพอยู่เป็นทั้งร้อยโยต์เนี่เป็นโยต์โยต์หรือซี่ร้อยเศษเนี่ย กัญญามองเห็นบินอยู่ทางฝา่ยายยังมองเห็นซากศพว่าเป็นหมูเป็นเป็ดเป็นไก่เป็นหมาตายแต่บัด น, นี้ท่านลงมากใกล้ๆแล้วเป็นยาัางโบเห็นบ่วงที่เขาใส่ไว้พญาางแหงก็เลยตอบว่าขั้นก่อมมันมีอยู่แล้วก่อมเคยดิเหตุมาตรกรแล้วถึงอยู่ไก่มันก็มองโบเห็นก่อมมันบังตา อันนี้พระเจ้าเคยได้ทํากรรมไว้ในอดีตโพรนั้นจึงได้รับกรรมถือบ่วงของนายพ่านนี่แล้วนะจเนี่ยโพรนั้นท่านจะไปทํากรรมต่ออีกได้หรืออาารท่านทํ า, ากรรมต่ออีกอั่างไรก็ตามท่านจะต้องได้รับผลของกรรมนั้ น, นพระยาแห่งก็ได้เทศสอนพระเจ้าพระราชาสีพระเจ้าพระสีเกิดชัฏท่าเหลื่อมใส่ก็เลยปล่อยปล่อยทั้งพระยาแห่งปล่อยทั้งอมมาตแทงมนันออกไปเออ ไปหาหมูมันอยู่ในปลาถุงพงไพ่คือเก่านะอันนี้คือพระพุทธเจ้าเป็นเบาไหวว่าคนเฮาแต่ก็ว่ามีกรรมเลยกรรมตอนนั้นมันจะปิดบังเหมือมันเดินโตเตะก็ไปหาบังต่อกขาหลดลอยลไปเพราเหตุใดเพราะกรรมกรรมมันพลาไปขั้นคนหมดมีกรรมหมดเคยทํากรรมชั่วมาก่อนแล้วมันจะพลาดลบพลาหลีดเอีนะ่ผยผลไพ่อันตรายไปได้ พอวา่าเฮ้าบุรีท้ำกรรมที่มันชัวสาในอดีตชาติแต่ในปัจจุบันในชาตินี่คานว่าเฮ้ามีคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมยึดในคุณงามความดียึดในพระไตสรสารณาคมยึดพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะาเป็นทีพึ่งย่างหมันคงกรรมชัวที่มาผูกก้นมาไม่เนี่ยผูกวัติเน กำชั่วที่เขาที่พยายามผูกแล้ม่จะผูกว่าติด <c oughs> เวนเสียแต่มัดผูกพยาบาทอาฆาตขากี่ดีอนันตกับมั่นกันห น, นีพบผลคือกันแต่ยังพระพุทธเจ้าของเฮาสวยเป็นสวยพระชาติเป็นพอขาดท่องอย่างที่วานพ้นก็บม่ได้ผูกพยาบาทอาฆาตต่อหมูเน้ยไอ้คาว่าเป็นเพื่อนกันเลยไป สื่อทองไปขายท่องท่องเก่ก็ูงจะว่าท่องเก๋ว่าท่องเขาคือเขามาขายชาวบ้านสายซอยตุ่มหูเออเอาเนดะ้อสายซอยตุ่มหูท่องเหลืองราคาเศษเท่านันเท่านี้ราคาเสศษนะหาบาทสิ บ, บาทเขาว่ากันสมัยก่อนมันโมเมนตทองข้ามบอลเมนเป็นบมเมนต์ตัวตุมว่าอันนี้เป็นทองขํามได้บนกบบระบอเรวา่าอันนี้ทองเหลืองไปซื้อซื้อไปซื้อ พอข้าท่องเชียวกันเพื่อนกันเอภาษาทางอีสานมัเชียวมันไปไปหาทํามากค่าขายขึ้นกันคนหนึ่งไปทั้งเหนือน้ำคนหนึ่งไปทั้งไตนหํามบาหามูทั้งไปทั้งเหนือน้ำนี่ประเ ท, วทศวัฒน์เนี่ยไปไปเห็นเศรษฐีตกทุ ก, ทกบ้านหนึ่งมีถาดทองคาใบนึงเออ เขาขอมากเอ้ยได้ห้อยเนี่ยถาดไปเนี่ยถาดเกาแก่คอยเยะมากเปลี่ยนสซสอยตุ่มหูให้ล้านๆคอยไม่ถึงสิบคนเลยขอขอเวลาอ่านละอา่านเลได้บอสเนี่ยเอามาเบิรงน น, นุ่อสิเปียนบอสอน่ยทางพออ่ากีโกงงนี่ก็กขคาเทาวดาถาดนี่ จ, จับถาดทองค่าขึ้นมากเนาตึกเลื่นแนนตึกเลย่ น, นักตึกเลื่อนออไป โออันนี้โมเมนตั่งธรรมดาแล้วนะในใจมุกมับนเลยก็เลยจับเข็มออกมานีนในกระเป๋ามากีดเบิ่งคนไปมากีดเบิ่ง ก, ก, กระตุยแล้วเนาะท่องข้ามอีกทีตัวเนี้ยนะท่องท่องกระคับแต่มันเขายางปีแล้วขอคนบ่งยักรักษาเดิถิ่มไว้ที่ซิโอกลัวไว้ในในห้องคั้วยักษ์ยังยังถือแมาแนวนะไป มันก็เขายางปีแล้วดำคลึกๆกันลงไปแต่เอาเข็มกรีดบงเนี่ยโอ้ท้องครัำเาขาหูจักแต่มันยกม้างเขาูจักแหละแต่ย้ายนะ่ยมันเป็นย้ายตกทุกเป็นทายถอดมัคนค้นสองสามชั่วคนแล้วบัตรถูกได้แบ่งม้อระดกมากบอกหูจักว่าเป็นถาดซื้อๆพอข้าโกงข้อดเขาบอกโอ้ยของเกาๆจริงเขาแม่แรกกันแรกได้เส้นสองเส้นเท่านั้นแล้วเห็นไห มันแหลกแห่มันครบค้นโมได้หรอกย่า่ย่า่ก็โอ้ยคันมันแหลกเสินสองเสินก็บ่ได้แล้วลูกหลานกติญาติกันติพิษกันอีกเนี่ยกันฉันก็แหลกเมื่อไรแล้วอ๋อพอแหลกแล้วเนาะพอมันแหลกมันกระบอกคบกันพอข้าผู้นั้นจะตีกับข้ามก็จะตีกับจังไหนอันไปมันกลับไหวโพดมนไปแต่ในใจนี่ยมุมมามุมัาปุ๊บก็เลยยางไป พอยางไปในใจนี่คิดอยู่แล้วว่าจิกลับมาเอาท่องแพทย์นถาดท่องไปนี่ให้ได้ ม, า, มาในความบกคาดคิดอย่พ่อข่าทั้งไตเนี่ยพ่อข่ า, าพาระพุทธเจ้าเนี่ยที่เดินไปทั้งไตขึ้นมาทาั้งเท่าข้นมาสวนกันแบบธรรมะพ่อสวนกันเ็ยเล้วบบมาหอดทาน้ำเนี่ยพอยางมาหากันมาขึ้นเหื่อน้ำกันนะผมมันคขำขำขำข้องขำห่วยอย่าง คือไม่นําจอกไปย่ากอีกสิว่าแล้วพ่อค้าคนทางใต้มันก็ขึ้นมาเร็วเกินไปไปเกินความคาดคิดของพ่อข้าพว้นี้วันนั้นไปที่เด็กพ่อข้าคนนึงคิดว่าสีาย่างไปสักน้อยแต่จ ก, ก, กลับขึ้นมาเอาจะไหนก็ได้รบ ย, าย่าเอาัะเปียจะเนาะหรอเอาซิปอันกับซิปอันลักษณะอันจละล่ะแต่เด ม, มันมันมันตั้งท่าพระท่านเนี่ยพ่อค้าทางใต้ในี่ขึ้นมาไ้โพด้ พอมาหอดพ่อหอยเกิดเด็กหน่อยไปจ้จากได้ขี้เงาเนี่ยใหญ่ก็เลยเอาท่อถาดใบหน่นนะมาให้พ่อข้าพระพุพทธี่สัตย์เบิง่งพุทธเจ้าเพราะในห้อยาจารยเบิ้งนู่นเนี่ย <c oughs> ถาท่องสิเปียร์ได้บอหลานข่อยไม่อยุอยนนะดถึงสิบข้นนะเจ้าขันหัวได้ชังสิบขนข่อยสิเปียร์่ไดสิบขนข่อยโบเปียรเนี่ยยั บ, ยบเป็นเด็กน่อยผิดกันอาจาร ในห้อยเนี่มะบังโน่พอมังก็เห็นห้อยพอข้าเมื่อกี้เอียกรีดเป็นถาดทองคำก็ได้ไปกีบอีโอทองคำอีดีแต่นัดตึกแล้วโอแมอ่อีดีทองคำว่ายายท่องใบนี้เนี่ยท่องถาดนี้เ น, นี่ยถาดทองนี้เน่ยกับของอยู่ในกระเป๋าคอยเนี่ยเทียบกันบทีเต๊ะเจ้าสี่เปียนบลเนี่ยเปียน เพื่อให้ครบลูกหลานคอยกับพ่อแล้วเอาขงสันคอยสิให้ทั้งหมดเลยคอยสิเทกับป๋อให้เลยสันเอียเจ้าสิเอาเอาเอาเลยเน่าเ้อเอาแล้วมึงขั้นได้ป้านันพราะข้าคนกบอกว่าได้อันสองอันสัตว์กัพสันก็เลยเปลี่ยนสันเออสันจะไปแล้วได้เทท่องให้เลยเอาไปในกระเป๋าถ้ามันมีเท่าไหร่บาดเอ็งออก้องค่ำ ถาดไปนั่นไลยจับยัดเข้ากระเป๋าได้กัดโอ้ยพอโดนไอ้นั่นมันจะต้องขึิบม้าแน่ๆเราจะเนี่ยไอ้นั่นมันขี่โกงนักเลงอีกต่างหากมันตีหัวกูแท้ๆหาจะเนมันสิกขากูได้ก็มันขลิบมาเนี่ยเพื่อนีนกได้าแเ้วก็เ้วลงไปหาท่าหน้านจ่างเหื่ออีกกล่อมนึงกับไปขามฟากเล้วเราจะนพอได้เหื่อน่ะเหือนึ่งก็พ่แกวโรดแล้ว พอขา่าขีโกงเนี่ก็ลงไปน้อยในวันกับก้าขึ้นมาอกีกพอกลับขึ้นมาใหา่ไปในไอ้ธาตุนธาตุงั้นพอข่าเขาออกไปเลยเดียวเสร็พ่อข่าเป็นยังไงผู้ น, นั้นผู้นี้เป็นลักษณะ น, นักสันะโอ้ตายเซียวกสักตัวแลนแลนเธอเนียบบัแรแลนมหอดทานำมะหอดท่านำพอขา่าอันนั้นเลยมันขืนจิตเกือบจะขามฟังแล้วนะ เออเกินจีโกตขื對對 ue, under, ่นจิตขืนฟังล่ะตัวฮ <hinter> ักกัมาหอดฟังเียบอกว่าว่าอเชียวอาจัรมึงสมัรชางักหลังกูคักแถวอาจารย์ได้พะเนว่ยห้องตะโกนใจ่กันคือจะมาคือจะบกวางวันไหนไม่ฟังน้ำเนอตังผูณเก็ว่าเอาจะหักหลังจังไรเขาว่ามึงบอกเอาเด้อาจยกูก็เอาตัวตัวยเใส่ภาษาพอคุณล่มใจ่กันเนะพะมันเียวกันเด้ เเมื่อว่ากูก็เอาตัวอาจารยเขาว่าเมื่อว่าเอาได้เอาอาจว้ายกูก็จบไปสักน้อยกูจะมาเอาอาจารเออเป็นเสี้ยวมื่กอดอไรนะฮกหลังกูกะคักเนี่ยเมื่อกองขุจักรที่เราเป็นอย่างกูกงจักรทีกันบ่เป็นอย่างคอมเมนต์คอมเนหลงพราอินนะเป็นเสี้ยวกันเอออากัแบงเคิงกันเนาะเสียวเนาะเขากระจาสันเอมเ็นเท่านะคอมเนหลงเพราอินหมดลงไปเออกระจาเพาเอาผู้เดียวเรากว่าเออท่านขั้นท่านคร แบงกันเนาะเซียวนอ้าเท่านเอาคนะเครงกันอเถอะท่านเออร่นกับิไข้ยุ้ยเบนพอละอันในผู้ใดเนี่ก็บบัวบัวหายโอย น, นไปกูเอาผู้ดีโอนไปมูนี่ก็เคียดหัวฟัดหวเฟียงอยู่ในฟังอะไรโไปจนเจียนนั่นบนบนี้จับขี่ไส้ขึ้นมาสองกัมมือโอ น, นไปในพระไตพิโลกพุวนวากันเลยยกของกัมือ เ, เออท่าน เกิดชาตินี่มึงงเป็นผู้ชนะกูมึงเอาเท่าถาดท่องข้าไปวะท่านเกิดชาติต่อไปเนี่กูใหตุงจองกรรมจองเว้นเนี่มึงทุกทุกพบทุกชาติเนอะท่นเนี่มึงจะไปเกิดพบใจชาติกูให้จองเว้นมึงทุกพบทุกชาติท่านเนีให้ทองกันกเม็ดหินเม็ดชายอยู่ในกํา ม, มือของกูนี่แหละทั้งสองกัมม์เด๊ะพอโพธิสัตว์เห็นจะขึนมองบเห็นบอกไก่กันปะเนีเ่ยเฮ้ยเสียวท่น ขอจะกำเริ่งกระจิพพ์มัง่งสองกำกระจิพพ์ไปได้วะสินี่เอาไปมาก็ได้เอาถิมว่างกำหนึ่งเลยกำมืดหนึ่งเอากํำมืดหนึ่งกระแทกไส้อกเจ้าของเลยกระแทกใส่หม้อใจห่ากเกลือดออกเลยวะแล้วก็ได้ตายได้ฟังแ ม, ม่น้ำนี่แหละพระเทวทัตปลูกอาคาดพระภูดีเจ้าข้างแหลกเถื่อที่แหลกเป็นเงนินชันะสรุปแล้ยก็คือคื อ, อท้องทถ้ำท้องถ้ำถ่าย น, นั้น่ะ แต่ตามไม่จริงก็บ่นหนาบ่นหนาถึงขนาดนั้นถ้าเขามาวเคออีกอย่างหนึ่งท่องข้ามบนั้นก็มันก็บนเม็นของจบของบ่นเป็นของผู้ใดมันเป็นของกลางอยู่ตัวเองก็ไปเห็นก่อนอแล้วก็คิดจะโกงเขาพวกค้าผู้ที่สองมานี่ซื้อซัดเนี่ยก็เลเอาท่องให้เขาหมดแล้วก็ไ้แตาถาดรีบหนี นะว่าพ่อข่าข้ามันเป็นเซียวกันแท้ๆนะอูจักอุปนิสัยกันแท้กันอาจะมาแบ่งกันกระไรถาดท้องข้ามใบนั้นก็จะบ่มีเหลืองมีเล้ากันจะบ่ปลูกพยาบาลอาค่าดกันนั่เองลงพออะไรคือสิเป็นทิธิต่อทิธิขี้กันอยู่น้ำกันคือสิอูจักเรี่ยมกันไปอย่าพ่อพุทธเจ้ากับทิธิโมเมนของง่ายขี้กันเที่ยวทันกับทิธิโมเมนของง่ายกันทิธิคือความเห็นทั้ง ร่วมคำมา่ามนะพ่อไปมา่านะคือขว้วแข็งกระด้างไปเอ่อขั้วแข็งกระด้างของเทวทัตก็บทเป็นช่ย ย, อย่อย ท, ท, ที่กันมิทตาเจียวลูกเลียวพุยมแบ่งให้ผู้อื่นไปนี่แหละก็เลยมีเหลืองเกิดขึ้นในผูกพยาบาทอาขาดพระพุทธเจ้าตั้งแต่นั่นต่อมากพระพุทธเจ้าเกิดมาพบใดชาดใดเทวทัตมิถตาจองบันในจองเว้น เ, เกิดมาชาดใด ขนาดเป็นภพเวทชั้นรอนภาพก็เป็นทู่ชกคนอะไป เ, เกิดมาแต่ละาพบเจริญชาติเอจองทุกชาติเกนว่าชาติไหนปลอดเทวาทาัศน์แอ่ชาตินั้นก็นมีความสุขกันเกิดได้ <c oughs> พบได้ชาติใดมาเจอกันกงหลอกกเกวียนมาเจอกันแล้วกันนะั่นแปลว่าตรงๆในจูซึกสงครามกันแล้ววันนั้นไปต้องตายไปครัง้งใดครั้งหนึ่ง เอ่ยังถูกค่อยแล้วกันการสั้นบ่อแล้วอะไรนี่แหละสรุปแล้วก็คือเข้ามาสรุปอีกแนวหนึ่งก็คือวิชาอาชีพเดียวกันเด้เบียดเบียนกันกันเข้ามาจะหุดกันสรุปร่วงอีกแบบหนึ่งเลยพ่อค้าท้องก็ทะเลาะกับพ่อค้าท่องเอ่ยพ่อค้าขายน้ํามันก็ทะเลาะกับปั้มน้ํามันขึ้นกันพวกขายของซ้าก็ทะเลาะขายของซ้ำขึ้นกันเอ่ พวกคู่รงเรียนกัแย่งตำแหน่งคู่ลงเล่นขี้กันหมดไปพวกเช่าหน้ากับทะเลาะเช่าหน้าปกส่วนหยางกับทะเลาะส่วนหยางอสรุปมาหอดชัดที่ไรฉันสร้างเห็นสร้างกันทะเลาะช่างม้าเห็นม้ากันทะเลาะม้าง่วเห็นง่วงทะเลาะง่วงควายเห็นควายทะเลาะควายมาเห็นม้าทะเลาะมาไก่เห็นไก่ทะเลาะไก่เป็ดเห็นเป็ดทะเลาะเป็ดสรุปแล้วก็คือคนกลุ่มเดียว อาชีพแบบเดียวกันทเลาะกันบาะธานในสร้างมาเห็นง่วงเฉยเลยมันโมเมนต์มูกันบาทธานงัวเห็นง่วเนี่ยขูดกีดินใส่กันก่มข้อใส่กันนลไปฮุบโอ้ฮุบโอ้เลยนวลไมิตสิควิดกันนวลไปกานควายเห็นควายให้กันเขาล่งแงงล่งแงงใส่กันนวลไปที่ส้นกันนวดไปขันหมาเห็นหมาขีอยูใส่กนได้ไ โตด้วยกันไม่แต่แห่แเท่าั้นการมาเห็นหัวเห็นควายก็เฉยเด้นี่แหละสรุปแล้วก็คือซัดทรรพยรัพย์ทั้งหลายอในกลุ่มเดียวกันมันจะทะเลาะกันเนี่บาบดในมหาพระเห็นพระเกิดขึ้นเนี่ยพระเห็นพระก็ทะเลาะกันในสมัยก่อนนะโอ้พระเห็นพระทะเลาะกันพระลายพระก็มีขึ้นกันเลยนี่แหละอันนีะบ่ให้ฟังนะว่าทรัพยรัตย์การโกเวน้น อจองเวีนกันอยู่ในโลกนะมตัตนบรรสองสารนั้นพอกเกิดเกิดมาบพบได้ก็ชาตินึงละ่ะต้องได้พบได้เจอแน่นอนเฮ้ยาอยัางโชคดีได้เกิดมาพบในชาตินี้ผมมีศึกสงครามข้ามาเกิดสมัยกรุงศรีอายุทยาวลบกับพม่าชาตินั้นโห้จะกว่าจังไรนะเนี่ยถือหอกถือดาบไล่แท่งกันอยู่ตามทงน้านะนี่แหละพระพุทธเจ้าเปนบอกว่า ยาเกิดม า, าดีที่สุดชำระจิตใจออกให้บริสุทธิ์ร่างกายนี่ร่างกายของคนเท่าในตายแน่นอนร่างกายนี่แตกตายสลไยเป็นดินน้มร่มไฟแต่ว่า่วนจิตใจบ่มีปาษาปาษาเผาใจบ่มีแต่ว่าปาสามันห่อหุมไปด้วยกิเลส นำมาทำห่อหุ่มไปโดยกิเลสราคะโทษสาโมหะกิเลสราคะโทษสาโมหะเนี่ยเป็นผูโต๊ะแตง่งให้มันไปทาง้งใดเขาไปให้มันไปทา้งโลภทา้งโกรธทางหลงเ อ, อีใจใจของหอบมันอยู่เป็นเครื่องมันกิเลสมันห่อหุ่มอยู่เพราะนั้นเป็นว่าให้ชําระใจด้วยตปะธรรมคือศินสมาธิปัญญาสัทธาความเพียรสัตรกิเลสออกจา ก, ก จ, จิตใจจิตใจเป็นอิสระแทน เป็นอิสร ะ, ะเป็นไถ่ไปบรอยู่ในกวบกุ้งของผู้ใดนี่แหละเนีย่ยคือการงู่เหลือมของเขานะี่ที่จับได้เดี๋ยวนี๋มันบริอิจฉาเลยคู่บาขัางเซขังเซถังมิญญาบรอิสระแล้ไปอจนกว่าเมือ่อใดบ่อยออกมาฉลัดออกมาจากกขงใดเมื่อไดกันงูเหลือมตันอิสร ะ, ะแล้วนะไปไซก็ะไดอันนี้คือกันใจของเขาเดี่ พอพูดใหเจ้าเพนว่ามันกิเลสขวบคุ้มอยู่เด้ราคาโทสษโมหะอยากจะห้องอยากจะให้อยากจะหัวเราะนีดทุกความทุกในจิตในใจล้วนได้แต่เป็นกิเลสทั้งหมดใจยังไม่อิสระในเมื่อเข้าชำระใจให้อิสระแล้วนั่นแหละใจเป็นบวลมมาสุขนิพพานังประมังสุขขังถ้าถึงนิพพานเลยเป็นชุขอย่างยิ่งอะไรตัวเข้านะบําเพ่นนะ จิตใจใของเฮ้าเนะนี่ยหน้ามาทําตัวนี้แหละที่จะไปสู่สุขติและทุกติคนมีทุกไมียากเดือดร้อนวุ่นวายกูเมือนนะมเมนี่ยบําเพ็กายเด้ใจเด้พระพุทธเจ้าว่ใจเด้ร่างกายบ่ไม่ยังพลางกายข้อใจออกจากร่างเลยนะนอนโคโรอยู่มีได้สีน่าวรันอนะ่ะแต่ว่าใจเนี่ยคือตัวผู้รู้คือหน้ามาทําตัวนี้ตัวนี่แหละเป็นตัวใหญ่ที่สุดพระพุทธศาสนาให้ความสําคัญเรื่องของใจ แต่โลกคู่มือนี่ยเขาว่าสมองเนี่ยสมองเป็นผูนึกคิดแต่ละของ พ, พระพุทธศาสนาพูดว่าใจเป็นภูมาใช้สมองอีกทีหนึ่งสมองพาอยู่ในหัวของเขาเน่ะเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์แต่ว่าใจคือหน้ามาทํามันมากดคอมพิวเตอร์ใส่กันนะพอกดสมอง <c oughs> พ่อแั่อยู่บนสมองเขากดไห้มือกระดิกเนี่ยไห้ปากไห้เบ้าเด้อเนี่ยนี่แหละ ตรงคอกำลังเบาเนี่ยคือสมองสั่งสั่งให้เบาเนี่ยบาดานี่เขาจะเข้าสีหูจักได้คักๆไปเนี่ยไอจิตสงบเนอะปะเนี้ยกำหนดล้มหายใจเข่าออกปุ๊บกายกับใจเนเป็นคนละอันกันไอตัวทีหน้ามาถ้ำเนี่ยตัวทีม่าใไส้สมองเนี่ยยุดเน่งมาเนีอยยุดใส่สมองลงไปพอายุดใส่สมองจะหู้ได้ด้วยตนเองนีใจ ใจหูใจเรืยบัดเออร่างกายนี่เป็นเป็นเป็นเครื่องใส่แต่ว่านํามาทําคือใจเนี่ยถี่มาใส่สมองเนี่ยอีกอันนึงมันโมเมนอันเดียวกันเป็นคนละอันกันกายกับใจจะหูได้ด้วยตนเองเรืยบัดทว่าจิตบรสกขบุญบ่มีทางที่หูได้ไปแยกบอออกเลยจังแม่นยังตัวแม่นยังเน่คือกันกับ เขาแยกน้ำออกจากน้ำมันนเนีอยคนที่แยกเข้าทำที่แยกนันแยกยากเกิดไปได้แยกน้ำ อ, อจากน้ำมันแต่เขามีเครื่องมือเนะ่ยเขาแยกได้เลยพอออกไปเนะเขาไปในเครื่องแนละ้วเน่ะเขาแยกพดออกไปเลยน้ามันไหลไปทางน้ำไปไหลไปทางหนึ่งหลดเอีขนาดท่องค่ำเนีอยู่ในแท่งเดียวกันมีทั้งเงินมีทั้งท่องค่ำมีทั้งท่องเหลืองท่องแดงยุทธานเวลาเอาเขาโล่งงานเขาที่ท่องค่ำก็ไหลไปท่องค่า เงื่อนอะไรทั้งเงินท่องอะไรทั้งท่องท่องเหลืองอะไรท่องท่องเหลืองไปค้อนนาทีแต่ท่างกันเพราะเขาแยกกันอันนี้เขาคลื่นกันเครื่องเมื่อมันมีอันนี้คือพปพุระเจ้าท่าคําสอนของพปปุระเจ้าเนี่ยเพิ่นให้แยกเลยให้แยกกายให้แยกจิตแยกจิตแยกกายมันคนละอ่านกันเลยผมเป็นอันเดียวกันเพราะนั้นท่ามขาสอนของปปุระเจ้าเนี่ยเพิ่นให้เบิ้งใจใจเป็นไงใจเป็นหัวนาสําเร็จแล้วด้วยใจะใจก็คลื่น ตัวพูนนึกคิดเน่ะตัวนึกคิดอย่างไรขึ้ใจตัวนั้นะเป็นใไงกว่าร่างกายร่างกายนีเป็นลูกน้องแต่ว่าใจนี่ห่วงไร่ห่วงลูกน้องห่วงร่างกายเออจนเป็นทุกข์เป็นร้อนกับร่างกายเพราะเห็ไหุไดเพราะยานร่างกายหนีแต่ตามไม่จริงถึงจะเลี่ยงดีปันได้ร่างกายก็ยังเป็นอื่นอยู่เสมอปกุฏเจ้าอ่ะถึงจะหาพาที่ดีอาหารดีดี สร้างบ้านให้ลูกล้าโออารยาแก่โลกไข้ไข่เจ็บรักษาดีปเนเอก็ตามร่างกายนี่ยยังเป็นอย่างอื่นอยู่เสมอคือการเขาเผาเลียงรถเขาใส่รถเนี่าใส่รถเท่ากับหักรถของเฮาเด้เนี่ั้งเช็จทั้งถูตะละมือน้ามูนํามันเปลี่ย น, น้ํามันเครื่องรักษาดีปเนเอก็ตามรถขนาดนก็บอถึงขั้นหอดสิกว่าปีขึ้นไปเลยนะเกือบสะเป็นเศษเล็กไปเรื่อย กันหอดเศร้าปีนะจิเลี่ยงดีเป็นได้ก็ถามมันออกไเป็นเศษเล็กกันอันนี้คือกันใจของเขา้าเลี่ยงร่างกายขเขาเข้าตอนหน่อยตนอนนมเข้าก็เลี่ยงดีเป็นนุมเป็นสาวแห้งเลี่ยงดีเข้ามาอีกเนี่ยพ่อเถาพ่อแกเลี่ยงขนาดไดก็เถอะเดียวก็ฟันรุดเดี่ยียวก็ตาฝ้า ฟ, า, ฟางเดี๋ยวกับผมขาวเดียวกัหนังเหี่ยวไหลไปเลยผลในสุดถึงจุดจบของร่างกายนี่แหละใจเลี่ยงใจเลี่ยงร่างกายก็คือกันเข้า เข้าดูแรลรถตอนนั้นปุ๊บปุ๊บปแพ่กันนะอา้าวตอนนี้ไปตรงพอเบาแน่วความคิดให้พวกเข้าได้คิดเอเพื่อการศึกษานะอาตอนนี้ไปรับพร อ, อนุโมทนาไอ้พร